ที่ทําให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาธิกะสัตว์ไม่มีผลมิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีมีอยู่เบพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกระสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ขอกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฟาพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรำชั่วต่อพระองค์พระองค์ โปรดลงพระอาทิยาแก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเชื่อผิวของบุรุษนี้บางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของเขาบ้างพวกเขาจึงเชื่อผิวของบุรุษนั้นพวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาเลยโยมจึงสั่งอีกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเถือนหนังแร่เนื้อตัดเอ็นตัดกระดูก ตัดเยื่อในกระดูของเขาบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของเขาบ้างพวกเขาตัดเยื่อในกระดูของบรุษนั้นพวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาเลยท่านกษัสรินี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกาสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี อุปมาด้วยฉดินผู้บูชาไฟบรพิษถ้าเช่นนั้นอาตมภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีฉดินผู้บูชาไฟคนหนึ่งอาศัยอยู่ในคูดีใบไม้นะชายป่าเวลานั้นหมูกเวียนหมู่หนึ่งพักอยู่ในที่ใกล้อสมของฉดินนั้นหนึ่งคืนแล้วจากไป ต่อมาชดินผู้บูชาไฟมีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปในสถานที่ที่หมู่เกวียนนั้นพักอยู่บางทีจะได้อุปกรณ์ใช้สอยในที่นั้นบ้างจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรงเข้าไปที่ที่หมู่เกวียนพำนักพบเด็กอ่อนถูกทิ้งนอนหงายอยู่ที่นั้นคิดว่าการที่เราผู้เป็นมนุษย์มาพบเด็กแล้วจะปล่อยให้เด็กเสียชีวิตไปก็ไม่เหมาะทางที่ดี เราควรพาเขาไปอาสมแล้วชุบเลี้ยงให้เจริญเติบโตจึงพาเด็กนั้นไปชุบเลี้ยงจนเจริญเติบโตเมื่อเด็กนั้นอายุได้สิปีหรือส2องปีชะดินบูชาไฟคนนั้นมีธุระอย่างหนึ่งในเมืองจึงสั่งเด็กนั้นว่าลูกพ่อจะไปในเมืองเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับนีมีดนีฟืนนีไม้สีไฟเจ้าพึงก่อไฟบูชา เมื่อสั่งเด็กแล้วได้ไปในเมืองขณะที่เด็กกำลังเล่นอยู่ไฟเกิดดับเด็กนึกขึ้นได้ว่าพ่อสั่งเราไว้ว่าเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับนี้มีดนี้ฟืนนี่ไม้สีไฟเจ้าพึงก่อไฟบูชาทางที่ดีเราควรก่อไฟบูชาจึงเอามีดถากไม้สีไฟด้วยเข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่ไม่ได้ไฟเลย จึงผ่าไม้สีไฟออกเป็นสองซี่สซี่สี่ซี่ห้าซี่สิซี่ยีซี่แล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครั้นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นํามาโขลกในครกครั้นโขลกในครกแล้วก็โปรยในที่มีลมแรงด้วยเข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ไฟเลยต่อมาเชรินผู้บูชาไฟทําธุระในเมืองเสร็จแล้ว จึงกลับมาอาสมของตนได้ถามเด็กนั้นว่าลูกเ อ, อ๋ยไฟของเจ้าไม่ดับบ้างเลยหรือเด็กนั้นตอบว่าพ่อครับผมมัวเล่นอยู่ตรงนี้ไฟก็ดับเสียพอนึกขึ้นได้ว่าพ่อสั่งไว้ว่าเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับนี้มีดนี้ฝืนนีไม้สีไฟเจ้าพึงก่อไฟบูชาทางที่ดีเราควรก่อไฟบูชา ผมจึงเอามีดถากไม้สีไฟด้วยคิดว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่ไม่ได้ไฟเลยจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็นสองซี่สาซี่สี่ซี่ห้าซีส่ส0บซี่20ซีกแล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครั้นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาโขลกในครกครั้นโขลกในครกแล้วก็โปรยในที่มีลมแรงด้วยเข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่ไม่ได้ไฟเลย ลำดับนั้นชดินผู้บูชาไฟคนนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเด็กคนนี้เช่างโง่ไม่ฉลาดเอาเสียเลยหาไฟโดยไม่ถูกวิธีจะได้อย่างไรเล่าเมื่อเด็กนั้นกำลังดูอยู่จึงหยิบไม้สีไฟมาสีให้เกิดไฟแล้วบอกกับเด็กนั้นดังนี้ว่าลูกเ อ, อ๋ยเขาติดไฟกันอย่างนี้ไม่เหมือนเจ้าที่โง่ไม่ฉลาดหาไฟโดยไม่ถูกวิธีบอร์พิษ พระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงโง่เขลาไม่ฉลาดนั่นแหละแสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกวิธีพระองค์โปรสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื่อกูลเพื่อทุก์ตลอดกาลนานเลยท่านกัตรปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาสละทิฏฐิชั่วนี้ได้ พระเจ้าเปรเิ็นทิโกสนหรือพระราชาโนอกอนณาจักรทรงรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าปายาสิมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปายาสีนี้ช่างโง่ไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิ ด, ผด โยมจะถือทิฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข่งดีอุปมาด้วยนายกองเวียนสองคนเบอร์พิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับ คนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งท่อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่มีเกวียนประมาณพันเล่มเดินทางจากแคว้นทางทิศตะวันออกไปยังแคว้นทางทิศตะวันตกขณะเมื่อเดินทางไปหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดได้หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในหมูเกวียนนั้นมีนายกองเกวียนสองคน คุมเกวนคนละห้าร้อยเล่มนายกองเกวียนทั้งสองคนนั้นได้ปรึกษากันว่ากองเกวนนี้เป็นหมูใหญ่มีเกวียนพันเล่มเวลาที่พวกเราเดินทางรวมกันไปหญ้าฟืนน้าใบไม้สดหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วทางที่ดีพวกเราควรแยกกองเกวนนี้ออกเป็นสองกลุ่มคือแยกเป็นกลุ่มละห้าร้อยเล่มจึงตกลงแยกกันเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละห้า้อยเล่มนายกองเกวียนคนหนึ่งบรรทุกหญ้าฝืนและน้ำเป็นอันมากขับเกวียนล่วงหน้าไปก่อนเมื่อไปได้สองถึงสวันได้พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแร่งธนูทัดต่อโกมุตมีผ้าและผมเปียกบอนขับรถคันงามมีล้อเปื้อนต่มสวนทางมาจึงถามว่าท่านมาจากไหนบุรุษนั้นตอบว่าเรามาจากที่โนน นายกองเกวียนถามว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นตอบว่าเราจะไปที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าค้นทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากใช่ไหมบุรุษนั้นตอบว่าใช่ครับค้นทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากค้นทางมีน้ําชุ่มฉ่ามีหญ้าฟืนและน้ํามากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ําเก่าเสียเถิดเกวียนเบาท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลําบาก ลำดับนั้นในกองเกวียนเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่าบุรุษนี้บอกว่าหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ําชุ่มฉ่ามีหญ้าฝืนและน้ํามากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฝืนและน้ําเก่าเสียเถิดเกวียนเบาท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลําบากพวกท่านจงทิ้งหญ้าฝืนและน้ําเก่าจงขับเกวียนเบาไปเถิด พวกขับเกวียนรับคําของนายกองเกวียนแล้วทิ้งหญ้าฝืนและน้ําเก่าขับเกวียนเบาไปแต่ก็ไม่ได้พบเห็นหญ้าฝืนหรือน้ําแม้ในที่พักกองเกวียนแห่งแรกแห่งที่สองแห่งที่สแห่งที่4แห่งที่ห้าแห่งที่6แห่งที่7จ็ดก็ไม่พบจึงถึงความวอดวายด้วยกันมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกองเกวียนนั้นถูกอะมนุษย์คือยักษ์จับกินเสียทั้งหมดเหลือแต่กระดูก ต่อมาเมื่อนายกองเกวียนคณะที่สองรู้สึกว่าเวลานี้กองเกวียนคณะแรกได้ออกเดินทางไปนานแล้วจึงบรรทุกหญ้าเฟินและน้ำเป็นอันมากแล้วขับเกวียนไปเมื่อไปได้สองถึงสวันได้พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแร่งธนูทัด่อโกมุดมีผ้าและผมเปียกปอนขับรถคันงามมีล้อเปื้อนตมสวนทางมาจึงถามว่า ท่านมาจากไหนบุรุษนั้นตอบว่าเรามาจากที่โน้นนายกองเวียนถามว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นตอบว่าเราจะไปที่โน้นนายกองเวียนถามว่าหนทางกันดานข้างหน้ามีฝนตกมากใช่ไหมบุรุษนั้นตอบว่าใช่ครับหนทางกันดานข้างหน้ามีฝนตกมากขนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมาย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 วัวก็ไม่ต้องลำบากท่านทั้งหลายบุรุษผู้นี้มิใช่ญาหรือญาสาวเรหิตของพวกเราพวกเราจะเชื่อเขาได้อย่างไรพวกท่านไม่ควรทิ้งหญ้าฝืนและน้ำเก่าจงขับกองเกวียนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นำมาเถิดพวกเราจะไม่ทิ้งของเก่าพวกขับเกวียนรับคาของนายกองเกวียนแล้วขับเกวียนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นามา พวกเขาไม่พบเห็นหญ้าฟืนหรือน้ำในที่พักกองเกวียนแห่งแรกแห่งที่สองแห่งที่สแห่งที่4แห่งที่หแห่งที่6แห่งที่7จ็ดกไม่พบเลยเห็นแต่กองเกวียนคณะแรกที่ถึงความวุ่วายและเห็นมนุษย์และสัตว์เลี้ยงในอกองเกวียนนั้นซึ่งถูกอะมนุษย์คือยักษ์จับกินเสียทั้งหมดเหลือแต่กระดูกลำดับนั้นในกองเกวียนจึงเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่า นี่คือหมู่เกวียนคณะแรกนั้นได้ถึงความวอดวายทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนผู้นำเป็นคนโง่เขลาถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงทิ้งสิ่งของที่มีประโยชน์น้อยในกองเกวียนของเราแล้วจงขนเอาสิ่งของที่มีประโยชน์มากในกองเกวียนนี้ไปพวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วทิ้งสิ่งของที่มีประโยชน์น้อยในเกวียนของตน ขนเอาสิ่งของที่มีประโยชน์มากในหมู่เกวยนนั้นเดินทางข้ามทางกันดานไปได้โดยสวัสดิภาพทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนผู้นำเป็นคนฉลาดบพิษพระองค์ทรงโง่เขลาไม่ฉลาดทรงแสวงหาโลกอื่นโดยไม่ถูกวิธีจะถึงความพินาศก็เช่นเดียวกับนายกองเกวียนคนแรกนั่นแหละพวกคนที่เข้าใจว่าทิฐิของพระองค์ควรฟังควรเชื่อถือเหล่านั้น ก็จะถึงความพินาษเหมือนกันฉะนั้นพระองค์โปรดละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดแก่พระองค์เพื่อไม่คือคูณเพื่อทุกตลอดกาลนานเลยท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาสละทิฏฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระราชานอกอนณาจักรทรงรู้จักโยมอย่างนี้ว่า เจ้าปายาสิทรงมีวาทะอย่างนี้ทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีหากโยมสลทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปายาสินี้ช่างโง่เขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่ เพราะความแข่งดีอุปมาด้วยคนทูลห่ออุจระบรพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้ เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคาได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีบุรุษผู้เลี้ยงสุกรคนหนึ่งออกจากหมู่บ้านของตนไปยังหมู่บ้านอื่นเห็นอุจระแห้งจำนวนมากที่เขาทิ้งไว้ในบ้านนั้นจึงมีความคิดดังนี้ว่าอุจระแห้งมากมายที่เขาทิ้งนี้เป็นอาหารของสุกรของเราทางที่ดีเราควรนำอุจระแห้งไปจากที่นี้ จึงปูผ้าห่มลงแล้วโกยเอาอุจระแห้งจํานวนมากผูกเป็นห่อทูลเดินไปในระหว่างทางเขาถูกฝนห่าใหญ่นอกฤดูกาลตกรถเปะเปื้อนไปด้วยอุจระตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเล็บเทา้าทูลเอาห่ออุจระที่ล้นไหลเดินไปชาวบ้านเห็นเขาจึงถามว่าท่านบ้าหรือเปล่าเสียจริตหรือเปล่าทําไมจึงเปะเปื้อนด้วยอุจระตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเล็บ ทูลห่ออุจระที่ล้นไหลอ ย, อยู่เล่าบุรุษนั้นตอบว่าพวกท่านต่างหากที่บ้าพวกท่านต่างหากที่เสียจริตความจริงอุจระเป็นอาหารของสุครของเราบะพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับบุรุษผู้ทูลห่ออุจระเดินไปนั่นแหละพระองค์โปรเสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เรื้อคูลเพื่อทุกข์ ตลอดกาลนานเลยท่านกษัตริพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาจสละทิฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าเประเซนทีโกศลหรือพระราชาโนอกอนณาจักรรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าปายาสิทรงมีวาทะอย่างนี้มีทิฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาทิกระสัตว์ไม่มีผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มี หากโยมสละทิฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปายาสินี้ช่างโง่เขลาไม่ฉลาดยืดเธอแต่สิ่งผิดผิดโยมจะถือทิฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข่งดี อุปมาด้วยนักเลงสกาบพิษถ้าเช่นนั้นอัตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคําได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีนักเลงสกาสองคนกำลังเล่นสกาคนหนึ่งกลื่นเบีย้ยที่จะทําให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่าอีกคนหนึ่งเห็นเช่นนั้นจึงพูดว่าเพื่อนเอย๋ยท่านชนะอยู่ฝ่ายเดียว จงคืนลูกสกาแก่เราบ้างเราจะเส้นบูชานักเลงสกาคนนั้นรับคำแล้วมอบลูกสกาคืนต่อมานักเลงสกาคนที่สองเอายาพิษทาลูกสกาแล้วบอกว่ามาเถิดเพื่อนเราจะเล่นสกากันต่อนักเลงสกาคนแรกรับคำแล้วแม้ครั้งที่สองนักเลงสกาทั้งสองก็เล่นสกากันต่อแม้ครั้งที่สองนักเลงสกาคนแรก ก็ยังกลื่นเบีย้ยที่จะทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่านักเลงส ก, กาคนที่สองเห็นนักเลงคนแรกกลื่นเบีย้ยที่จะทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่าแม้ครั้งที่สองจึงได้พูดกับนักเลงส ก, กาดังนี้ว่าคนกลืนลูกส ก, กาเคลือบอยาพิษอย่างแรงกล้าก็ยังไม่รู้ตัวเฮ้ย <"He i, S 1> เจ้านักเลงชั่วเจ้าจงกลืนเข้าไปพิษร้ายแรงจกออกฤทธิ์แก่เจ้าภายหลังเบอร์พิษ พระองค์ก็เช่นเดียวกับนักเลงสกานั่นแหละโปรเสละทิฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฐิชั่วนั้นเถิดทิฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานเลยท่านกัสะปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาจสละทิฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าประเซนที่โกรธหรือพระราชานอกอาณาจากักรรู้จักโยมอย่างนี้ว่า เจ้าปายาสิมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกาสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีหากโยมสล่ทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปายาสินี้ช่างโง่เขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะยึดถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข่งดี อุปมาด้วยคนหอบเปลือกปานท่านพระกุมารักษะถวายพระพรว่าเบรพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วณนะเมืองแห่งหนึ่งสหายผู้หนึ่งเรียกสหายมาบอกว่ามาเถิดเพื่อนเราจะเข้าไปยังเมืองนั้น บางทีจะได้ซับในเมืองนั้นบ้างสหายคนที่สองรับคำของเพื่อนแล้วพากันเข้าไปยังชนบทถึงถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นเปลือกป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกบอกสหายคนที่สองว่าเพื่อนเอย๋ยเขาทิ้งเปลือกป่านไว้มากมายถ้าเช่นนั้นท่านจงผูกเปลือกป่านไปหนึ่งมัดเราจะผูกอีกหนึ่งมัด เราสองคนจะช่วยกันขนเปลือกป่านไปสหายคนที่สองรับคำแล้วผูกเปลือกป่านหนึ่งมัดแล้วต่างช่วยกันหอบเปลือกป่านเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เห็นได้ป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหนึ่งว่าเพื่อนเ อ, อ๋ยเราจะปรารถนาเปลือกป่านไปเพื่ออะไรนี้ได้ป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายถ้าเช่นนั้น ท่านจงทิ้งมัดเปลือกปานเสียเถิดเราก็จะทิ้งเหมือนกันเรามาช่วยกันนำมัดได้ปานไปเถิดสหายคนที่สองตอบว่าเพื่อนเอย๋ยเราหอบมัดเปลือกปานนี้มาตั้งไกลอีกทั้งมัดไวเรียบร้อยดีแล้วเราจะไม่ทิ้งละท่านจงทราบเถิดลำดับนั้นสหายคนแรกทิ้งมัดเปลือกปานแล้วนำมัดได้ปาน สหายทั้งสองพากันเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เห็นผ้าป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหนึ่งว่าเราจะปรารถนาเปลือกป่านและได้ป่านไปเพื่ออะไรนี้ผ้าป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายถ้าเช่นนั้นท่านจงทิ้งมัดเปลือกป่านเสียเราก็จะทิ้งมัดได้ป่านเหมือนกันพวกเรามาช่วยกันนำมัดผ้าป่านไปเถิด สหายคนที่สองตอบว่าเพื่อนเอย๋ยเราหอบมัดเปลือกปานนี้มาตั้งไกลอีกทั้งมัดไว้เรียบร้อยดีแล้วเราจะไม่ทิ้งละท่านจงทราบเถิดลำดับนั้นสหายคนแรกทิ้งมัดได้ปานแล้วนามัดผ้าปานไปสหายทั้งสองพากันเข้าไปยังถ น, นนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เห็นเปลือกไม้ขโมยที่เขาทิ้งไว้มากมายและถึง ได้เปลือกไม้ขมโที่เขาทิ้งไว้มากมายผ้าเปลือกไม้ขมโที่เขาทิ้งไว้มากมายลูกฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายได้ฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายผ้าฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายเหล็กที่เขาทิ้งไว้มากมายโลหะที่เขาทิ้งไว้มากมายดีบุกที่เขาทิ้งไว้มากมายสำริดที่เขาทิ้งไว้มากมายเงินที่เขาทิ้งไว้มากมาย ทองที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหนึ่งว่าเพื่อนเอย๋ยเราจะปรารถนาเปลือกปานได้ปานผ้าปานเปลือกไม้ขมโอได้เปลือกไม้ขมโอผ้าเปลือกไม้ขมโอลูกฝ้ายได้ฝ้ายผ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีบุกสำริดหรือเงินไปเพื่ออะไรกันนี้ทองที่เขาทิ้งไว้มากมาย ท่านจงทิ้งมัดเปลือกป่านเสียเถิดเราก็จะทิ้งห่อเงินเหมือนกันพวกเรามาช่วยกันนำห่อทองไปเถิดสะหายคนที่สองตอบว่าเพื่อนเอย๋ยเราหอบมัดเปลือกป่านนี้มาตั้งไกลอีกทั้งมัดไว้เรียบร้อยดีแล้วเราจะไม่ทิ้งละท่านจงทราบเถิดลำดับนั้นสะหายคนแรกทิ้งห่อเงินแล้วนำห่อทองไป สหายทั้งสองพากันเข้าไปยังหมู่บ้านของตนของตนในบรรดาสหายทั้งสองคนนั้นคนที่หอบมัดเปลือกป่านไปไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากมารดาปิดาไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากบุตรภันยาไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากมิรอมาร์ตอีกทั้งไม่ได้รับความสุขโสมนัสที่เกิดจากการหอบเปลือกป่านนั้นส่วนสหายอีกคนหนึ่งที่นาห่อทองไป ได้รับความชื่นชมยินดีจากมารดาบิดาได้รับความชื่นชมยินดีจากบุตรภันยาได้รับความชื่นชมยินดีจากมิตรอมาตอีกทั้งได้รับความสุขสมานัทที่เกิดจากการนําหอทองนั้นบพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับบุรุษผู้ขนมัดเปลือกปานไม่เกื้อกูลนั่นแหละพระองค์โปรซาลาทิฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฐิชั่วนั้นเถิดทิฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดไม่แก่พระองค์ เพื่อไม่คือกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานเลยพระเจ้าปายาสิทรงรับสรนคมเจ้าปายาสิตรัสว่าเพียงอุปมาโวหารข้อแรกของท่านกษัตริเท่านั้นโยมก็พอใจอย่างยิ่งแล้ว แต่อยากจะฟังปฏิพานในการตอบปัญหาที่วิจิตเหล่านี้จึงทําทีโต้แย้งท่านกษปะไปเท่านั้นเองภาสิทธิของท่านกษปะชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิทธิของท่านกษปะชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านกษปะประกาศทำแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่าําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจะเห็นรูปได้โยมขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านกษัตริยโปรดจำโยมว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโยมปรารถนาจะบูชามหายัน n ขอท่านกษัตริยโปรดชี้แจงวิธีบูชามหายันอันเป็นไปเพื่อกลื้อกูนเพื่อสุขแก่โยมตลอดกาลนานเถิด ว่าด้วยยันพิธีท่านพระกุมารักษ์ศปถวายพระพรว่าบอพิธยันที่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ทําให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งและผู้รับยันก็เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิมีมิจฉาสังกปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากรรมมันตะมีมิจฉาอาชีวะ มีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิเช่นนี้ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากเปรียบเหมือนชาวนาถือเมล็ดพืชและไถไปป่าแล้วหว่านเมล็ดพืชที่หักเน่าถูกลมแดดแผดเผาแล้วรีบยังไม่สุกดีลงในนาไร่ที่ไม่ดีมีพื้นที่ไม่เหมาะไม่แผ่ถางตอและ้ําให้หมดไป ทั้งฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลเมล็ดพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามไพบู์หรือชาวบ้านจะได้รับผลอันไพบู์หรือเจ้าปายาสิตรัสตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านกัสปะท่านพระกุมารากัสปะถวายพระพรว่าบาพิษยันที่มีการฆ่าโคนหนึ่งยันที่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่ง ยันที่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งและผู้รับยันก็เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากรรมันตะมีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิเช่นนี้ย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากส่วนยันที่ไม่มีการฆ่าโคหนึ่ง ยันที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ไม่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งและผู้รับก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเช่นนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงมาก มีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากเปรียบเหมือนชาวนาถือเมล็ดพืชและไถไปป่าแล้วหว่านเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เน่าไม่ถูกลมแดดแผดเผามีเมล็ดสุกดีลงในนาไร่ที่ดีมีพื้นที่เหมาะแผ้วถางตอและหนามให้หมดไปทั้งฝนก็ตกตามฤดูกาลพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามไพ่บู์หรือชาวนาจะได้รับผลอันไพบู์หรือ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 มีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายมะมีสัมมาสติมีสมาามัมสม า, ส ม, ส, มาสมาธิเช่นนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสง ม, มากมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากเรื่องอุตรมานก ต่อมาเจ้าปายาสิทรงเริ่มให้ทานแก่สมณพรามคนกำพร้าคนเดินทางวั น, นิพกและพวกยาจกแต่ในทานนั้นเท้าเธอประทานโพชนะเห็นปานนี้คือปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกลับได้ประทานผ้าเนื้อหยาบมีชายขอเป็นปมปมในการให้ทานนั้นมีอุตรมานพเป็นเจ้าหน้าที่อุตระมานพให้ทานแล้วอุทิตยอย่างนี้ว่า ด้วยผลทานนี้เข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลยเจ้ Daddy าปายาสิทรงสดับว่าทราบว่าอุตรมามนกให้ทานแล้วอุทิตอย่างนี้ว่าด้วยผลทานนี้เข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลยต่อมาพระองค์จึงรับสั่งให้เรียก อ, อุตรามนกม า, มาตรัสถามว่า พ่ออุตระเธอให้ทานแล้วอุทิศอย่างนี้ว่าด้วยผลทานนี้ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลยจริงหรืออุตระมานุกราบทูลว่าจริงอย่างนั้นกระหม่อมเจ้าปายาสิตรัสถามว่าพ่ออุตระก็เพราะเหตุใดเธอให้ทานแล้วจึงอุทิตยอย่างนี้ว่าด้วยผลทานนี้ละถึง ย่าได้อยู่ร่วมกันอีกในโลกหน้าเลยพวกเราต้องการบุญวังผลทานจริงๆมิใช่หรืออุตรมามนกราบทูลว่าในทานของพระองค์ยังมีการประทานโพชนะเห็นปานนี้คือปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกลับซึ่งพระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะถูกต้องแม่ด้วยพระบาทฉะหนจะเสวยเล่าอันหนึ่งผ้าก็เนื้อหยาบมีชายขอเป็นป ม, ปม ซึ่งพระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะถูกต้องแม้ด้วยพระบาทชไนจะทรงนุ่งห่มเล่าพระองค์ทรงเป็นที่รักเป็นที่พอใจของพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์จะชักจูงผู้ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้อย่างไรเล่าเจ้าปายาสิตรัสว่าพ่ออุตระถ้าอย่างนั้นเธอจงจัดเตรียมโภชนะชนิดเดียวกับที่เราบริโภค จงจัดเตรียมผ้าชนิดเดียวกับที่เรานุ่งหม่มอุตรมามนบทูลรับสนองพระดํารัสแล้วจัดเตรียมโภชนะชนิดเดียวกับที่เจ้าปายาสิเสวยและจัดเตรียมผ้าชนิดเดียวกับที่เจ้าปายาสิทรงนุ่งหม่มต่อมาเพราะเหตุที่เจ้าปายาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ทรงให้ทานด้วยพระหัตถของพระองค์ทรงให้ทานโดยความไม่นอบน้อมแต่ทรงให้ทานอย่างโยนทิ้ง หลังจากถึงชีพิตกใสแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชคือได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสรีสกาวิมานส่วนอุตระมานกผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของเจ้าปยาสินั้นให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานอย่างโยนทิง้งหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงปายาสิเทพประบุสมัยต่อมาท่านพระควัมปติไปพักกลางวันณเซริสกะวิมานที่ว่างเปล่าอยู่เนืองๆลำดับนั้นปายาสิเทพประบุ เข้าไปหาท่านพระควัมปติถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระควัมปติถามปายาสิเทพบุตรว่าท่านเป็นใครปรายาสิเทพบุตรตอบว่าเขาเป้เจ้าคือเจ้าปายาสิขอรับท่านพระขวัมปติถามว่าท่านเป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีจริงหรือปายาสิเทพบุตรตอบว่าจริงขอรับข้าพเจ้าเคยมีทิฏฐิอย่างนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้ลูกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีแต่พระผู้เป็นเจ้ากุมารากัสปะได้ชี้นําให้ข้าพเจ้าออกจากทิฏฐิชั่วนั้นแล้วท่านพระควัมปติถามว่า ก็อุตระมานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของท่านไปเกิดที่ไหนปายาสิเทพปบุ ต, ตอบว่าอุตระมานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของข้าพเจ้าให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพูกเทพชั้นเดวดืงส่วนข้าพเจ้าให้ทานโดยไม่เคารพ ไม่ให้ทานด้วยมือตนเองให้ทานโดยความไม่นอบน้อมให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชคือได้วิมานว่างเปล่าชื่อเซริสกาวิมานท่านขวามปติขอรับขอท่านจงไปมนุสิยโลกประกาศอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยความนอบน้อม อย่าให้ทานอย่างโยนทิ้งเจ้าปายาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ทรงให้ทานด้วยมือของพระองค์เองทรงให้ทานโดยความไม่นอบน้อมทรงให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากถึงชีพิตรใสแล้วได้เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชคือได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสริสกาวิมานส่วนอุตรามานพผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของเจ้าปายาสินั้น ให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงต่อมาเมื่อท่านพระควัมปติกลับมาสู่มนุษย์โลกแล้วได้ประกาศอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยความนอบน้อมอย่าให้ทานอย่างโยนทิ้ง เจ้าปายาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ทรงให้ทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงให้ทานโดยไม่นอบน้อมทรงให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากถึงชีพิตรใสแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชคือได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสริสกาวิมานส่วนอุตระมานบผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการให้ทานของเจ้าปายาสิให้ทานโดยความเคารพ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 รวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. มหาประธานสูตร 2. มหานิธานสูตร 3. มหาปรินิพานสูตร 4. มหาสุทัศนสูตร 5. ชนะวสภสูตร 6. มหาโควินทสูตร 7. มหาสมยสูตร 8. ปสักกะปัญหาสูตร 9. มหาสติปทานสูตร สิบปายาสิสูตรเรียกว่ามหาวัคมหาวัคจบ